กลับมาพบกับธรรมฟังอีกวาระหนึ่งโดยมีข้าพเจ้าพระมหาภัยบูรณฮาภิปุโ น, โนจากวัดป่าดอนหาโศกมาพบกับธรรมฟังอยู่เป็นประจำทุกวันเมื่อวันก่อนธรรมฟังข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปร่วมงานขดถินของวัดแห่งหนึ่งที่อยู่ในใกล้ใกกับวัดป่าดอนหาโศกเนี่ยขากลับมาจากวัดนั้น เมือีจะกลับมาที่วัดป่าดอนหายโศกนี่ก็มีอุบาสกที่อยู่ในระแวกหมู่บ้านเนี้ยเขามาส่งในระหว่างที่นั่งอยู่ในรถด้วยกันมีแค่ข้าพเจ้ากับผู้ขับรถเท่านั้นอุบาสกคนนี้ก็ได้เล่าให้ฟังถึงสถานการณ์ในครอบครัวของตัวเองที่ขามีลูกอยู่สองคนลูกคนหนึ่งเนี่ยก็เมื่อก่อนไปเกณฑ์ทหาร เสร็จแล้วพอปลดประจําการได้ไปสอบก็เป็นในายสิบได้เออ น, นี้ก็มีงานทําแต่ว่าลูกอีกคนหนึ่งปรากฏว่าไม่มีงานทาคือไม่ได้ไปหางานทําอะไรข้าพเจ้าก็เลยถามว่าเอา้าแล้วเขาเรียนจบที่ไหนอุบาสกนี่ก็บอกว่าจบมหกเออเราไม่ได้ไปเรียนต่อเหรอมันไม่ยอมไปเรียนที่ไหนท่านอาจารย์จบแล้วมันก็อยู่อย่างนั้นเออเราไม่ไปสมัครงานที่ไหนล่ะมันไม่ยอมไปท่านอาจารย์ อ้าวแล้วอยู่บ้านทําอะไรก็อยู่เฉยๆอ้าวแล้วพ่อแม่ช่วยพ่อแม่ทํำอะไรไหมไม่ช่วยเลยเอ้าวแล้วพ่อแม่ไปเกี่ยวข้าวไม่ช่วยเลยเนาะไม่เลยเจ็ด8ปดโมงมันถึงค่อยตื่นอ้าวล้วทําไมไม่บอกให้เขาช่วยทําอะไรมันบอกไม่ได้อ้าวแล้ววันๆทําอะไรเดี๋ยวบางทีมันก็ไปหาเล่นกับเพื่อนขับมอเตอร์ไซค์ไปนั่นนี่อันนี้เขาเล่าให้ข้าพเจ้าฟังนะแล้วก็ยังเล่าต่อยอต่อมาฟังบอกว่า คนที่เป็นแบบเนี้คือไม่ได้ทําอะไรไม่ได้สนใจที่จะเรียนต่อการงานก็ไม่ช่วยตื่นก็สายพวกเนี้ยมีอยู่ทุกครัวเรือนเลยนะในหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยมีทุกหลังคาเรือนเลยที่จะต้องมีคนแบบนี้อยู่โอ้ขา้าพเจ้าฝั่งเรารู้สึกตกใจนิดหนึ่งว่าเอา้าแล้วงี้ประเทศชาติมันจะไปพัฒนาได้ไงถ้ามีคนแบบนี้อยู่แต่ก็ยังสงสัยอยู่ในใจว่าเออแล้วพวกนี้เขาจะเอารายได้มาจากไหน เราจะไปทํางานกินอะไรเนี่ยนี่คือสําคัญเนี่ยในภายหลังก็มารู้ว่าก็ขอพ่อแม่กินนั่นแหละพ่อแม่ทําอะไรกินแล้วลูกก็กินด้วยเอาแล้วพว่เติมน้ํามันค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆอันนี้เอาจากที่ไหนเพราะตัวเองไม่ได้มีงานทำํำคือคนพวกเนี้ยเขาจเอาจากที่ไหนเราแต่มาืฟังเขาก็ขอจากพ่อแม่นั่นแหละแต่พอขอจากพ่อแม่พ่อแม่ไม่ให้เขาต้องหางานก่อนพวกนี้ก็แบบโวยวายทำตัวอันตาพาน ทำไม่ดีทำอะไรต่างๆที่พ่อแม่จะไม่พอใจอสุดท้ายพ่อแม่ก็ยอมให้ตรงนี้แหละตะบูฟังตรงนี้แหละตละบฝฟังมันเข้าข่ายลักษณะว่าพ่อแม่รังแกฉันแตวจะไปโทษลูกว่าเอยทาไมมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ไม่รู้จักทํามากินทำไมไปคบเพื่อนชั่วทำสิ่งไม่ดีสิ่งดีไม่ยอมทำอืมจะไปโทษคนอื่นนะมันอยู่ที่พ่อแม่ตะบูฟัง พ่อแม่ที่ถ้าไม่รู้จักเลี้ยงลูกให้ดีเนี่ยไม่รู้จักที่จะห้ามลูกเสียจากบาปให้ลูกตั้งอยู่ในความดีเนี่ยเป็นพ่อแม่ที่ไม่ถูกต้องลูกคนนั้นจะเป็นภัยกับพ่อแม่เรื่องราวที่ในลักษณะพ่อแม่รังแกฉันเนี่ยมีมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลแล้วท่านผู้ฟังมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งไม่ใช่เป็นคนจนนะเราเป็นเศรษฐีนะ เป็นเศรษฐีเลี้ยงดูลูกอย่างดีไม่ให้ต้องทําอะไรนี่มาในนิทานธรรมบทเรื่องของบุตรเศรษฐีที่มีทรัพมากวันนี้ข้าพเจ้าจะให้ท่านฟังใน้ฟังนิทานธรรมบทเรื่องนี้เรื่องบุตรเศรษฐีมีทรัพมากดังได้สดับมาบุตรเศรษฐีนั้นเกิดแล้วในตระกูลผู้มีสมบัติแปสิบโกดในกรุงพราราณสี ดรังนั้นมารดาบิดาของเขาคิดว่าก็าในตระกูลของเรามีกองโพคะเป็นนันมากเราจะมอบกองโพคะนั้นไว้ในมือบุตรของเราทำให้ใช้สอยอย่างสบายกิจ ด, ด้วยการงานอย่างอื่นไม่ต้องมีดังนี้แล้วจึงให้เขาศึกษาศิลปะจากว่าการฟอนการขับและการประโคมอย่างเดียว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 ครั้งนั้นพวกนักเลงในพรรากร น, นั้นคิดกันว่าถ้าบุตรเศรษฐีนี้จะเป็นนักเลงสุราความปาสุกก็จะมีแค่พวกเราเราจะให้เธอเรียนความเป็นนักเลงสุราพวกนักเลงนั้นก็ถือเอาสุรามัดเนื้อสำหรับแกล้มและก้อนเกลือไว้ที่ฉ่ายพกถือหมวปผักกาด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 ให้นำสุรามาด้วยซับหนึ่งรบ้าง200บ้างดื่มอยู่ตั้งกองกหาปะนะไว้ในที่นั่งเป็นต้นโดยลําดับดื่มสุราแล้วก็กล่าวว่าจงนําเอาดอกไม้มาด้วยกหาปะนะนี้จงนําเอาของหอมมาด้วยกหาปะนะนี้ผู้นี้ฉลาดในการขับร้องผู้นี้ฉลาดในการฟ้อน ผู้นี้ฉลาดในการประโคมจงให้ทรับย์1 0 0 0แก่ผู้นี้จงให้ทรับย์ง0ันแก่ผู้นี้อังนี้ก็เมื่อใช้สุรุ่ยสุร่ายอย่างนั้นต่อการไม่หนาหนักก็ยังทรับย์80โกดอันเป็นของตนให้หมดไปเมื่อเฮรญยิกเรียนตามว่านายทรับของนายหมดแล้วเสถีบบุตรจึงพูดว่า ก็ทรัพย์ของภรรยาของข้าไม่มีหรือเมื่อเหราญยิกเรียนว่ายังมีอยู่นายเขาจึงบอกว่าถ้ากระนั้นก็จงเอาทรัพย์นั้นมาเศรษฐีบุตรก็ได้ทำทรัพย์ของภรรยาแม้ทั้งสิ้นนั้นให้สิ้นไปอย่างนั้นเหมือนกันแล้วขายสมบัติของตนทั้งหมดเกี่ยวกินพืชนาสวนดอกไม้สวนผลไม้ ยานบ้านะเป็นต้นบ้างโดยที่สุดภาชนะเครื่องใช้บ้างเครื่องลาดผ้าห่มและผ้าปูนั่งบ้างโดยลําดับครั้นในเวลาที่เขาแก่ลงเจ้าของเรือนจึงไล่เขาออกจากเรือนที่เขามีโภคค้าหมดแล้วขายเรือนของตัวเองแต่ยังถืออาศัยอยู่ก่อนเขาพาภรรยาไปอาศัยฝาเรือน ของชนเหล่าอื่นอยู่ได้ถือสิ น, นกระเบื้องเที่ยวไปขอทานปรารบจะ บ, บริโภค พ, พัดที่เป็นเดนของชนทั้งหลายแล้วกระนั้นพระศาสดาพ่อพระเนธเห็นเขายืนอยู่ที่ประตูโรงฉันอยรับโภชนะที่เป็นเดนอันพิกสูจนุ่มและสามเณมรให้ในวันหนึ่งวันหนึ่งจึงทรงยามประโอ์ ลำดับนั้นพระอนุนเดระทูลถามถึงเหตุที่ส่งแย้มกับรพระงพระศาสดาเมื่อจะตรัสบอกเหตุที่ส่งแย้มจึงกล่าวว่าอ น, นุนเธอจงดูบุตรเศรษฐีผู้มีทรัพย์มากผู้นี้ผลานทรัพย์เสียหนึ่งร้อยหกสิบโกรธพาปริยาเที่ยวขอทานอยู่ในนครนี่แหละก็ถ้า เศรษฐีไม่พลานทรัพย์ให้หมดสิ้นไปจะประกอบการงานในปฐมวัยก็จะได้เป็นเศรษฐีชั้นเลิศในนักอน่อนี้และถ้าจะออกบวชก็จะบรรลุรหัตแม้ภริยาของเขาก็จะดํารงอยู่ในอนาคามิผลและถ้าไม่พลานทรัพย์ให้หมดไปจะประกอบการงานในมัชชิมวัย จะได้เป็นเศรษฐีชั้นที่สองออกบวชจะได้เป็นอนาคามีแม้ปริยาของเขาก็จะดำรงอยู่ในสกธาคามิผลและถ้าไม่พรานทรัพย์ให้สิ้นไปประกอบการงานในปจิมวัยจะได้เป็นเศรษฐีชั้นที่สามแม้ออกบวชก็จะได้เป็นสกธาคามีแม้ปริยาของเขา ก็จะดำรงอยู่ในโซดาปฏิผล์แต่เดี๋ยวนี้บุตรเศรษฐีนั่นทั้งเสื่อมแล้วจากโภคะของก็เลอดทั้งเสื่อมแล้วจากสามัญญผลก็แหลกรันเสื่อมแล้วจึงเป็นเหมือนนกกะเรียนในเปลือกต้มแห้งฉะนั้นแล้วจึงได้ตรัสพระกาถาเหล่านี้ว่าพวกคนเกาไม่ประพฤติประมรจัน ไม่ได้รับในคราวยังเป็นหนุ่มสาวย่อมซบเศร้าดังนกกระเรียนแก่ซบเศร้าอยู่ในเปลือกตม้มที่หมดปลาฉะนั้นพวกคนเก่าไม่ประพฤติปรมาจันไม่ได้รับในคราวยังเป็นหนุ่มสาวย่อมนอนทอดถอนใจถึงเรื่องเก่าเหมือนลูกสอนที่หลุดจากแหล่งฉะนั้นบาลีว่า อาจาริตวาพระมจริยังอลัทธาโยพเนทนังชินนังโกนจาวะชายันติขีนะมัตเฉวะปันละเลอจริตวาประมจริยังอลัทธาโยพเนทนังเสนติจาปาติกีนาวะปุรานานิอนุทุหนัง ก็ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าอจะริตรวาแปล ว, ว่าไม่ประพฤติหมายความว่าไม่อยู่พรมมจริยวาด์คำว่าโยพเนแปล ว, ว่าคราวยังหนุ่มสาวหมายความว่าไม่ได้แม้ทรัพย์ในเวลาที่ตนสามารถเพื่อจะยังโผคะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือเพื่อตามรักษาโภคะ ที่เกิดขึ้นแล้วคาม่าชีนะมัตเฉแปลว่าที่หมดปลาหมายความว่าคนข่าวเห็นปลานั้นนั่ น, น, นย่อมซบเซาดังนกเกรเรียนแก่มีขนปีกอันเหี้ยนเกรียนซบเซาอยู่ในเปลือกตมที่ชื่อว่าหมดปลาแล้วเพราะไม่มีน้ำมีคำอธิบายกล่าวไว้ดังนี้ว่า อันความไม่มีที่อยู่ของคนเก่าเหล่านี้เหมือนความไม่มีน้ำในเปลือกตม้มกว่าไม่มีโภคะของคนเก่าเหล่านี้เหมือนความหมดปลาความไม่สามารถจะรวบรวมโภคะไว้ได้โดยทางน้ำหรือทางบกเป็นต้นในการบัดนี้แหลของคนเก่านั้นเหมือนความไม่มีการโผลขึ้นแล้วบินไปแห่งนกเรียน มันมีขนปีกอันเหี้ยนเพราะฉะนั้นคนกล่าวเหล่านี้จึงนอนซบเจาอยู่ในที่นี้เองเหมือนนกเกรียนมีขนปีกอันเหี้ยนแล้วฉะนั้นคำว่าจ้าปาติขีนาวะแปลว่าเหมือนลูกศรที่หลุดจากแหล่งหมายความว่าหลุดจากแหล่งคือพ้นแล้วจากแหล่ง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 ในการบัดนี้เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าเซนติจาปาติขีนาวะซึ่งแปลว่าย่อมนอนเหมือนลูกศรที่หลุดจากแหลงส่วนคำว่าปุรานานิอนุตถุนังแปลว่าพออถอนถึงเรื่องเก่าหมายความว่า ย่อมนอนทอดถอนใจคือเศร้าโศกถึงการกินการดื่มการฟ้อนการขับและการประกคมเป็นต้นที่ตนทำแล้วในการกอนว่าพวกเรากินแล้วอย่างนี้ดื่มแล้วอย่างนี้ดันงนี้ในการจบเทศนาจนเป็นนันมากมรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปติผลเป็นต้นดันงนี้แหละ เรื่องบุตรเศรษฐีมีทรัพมากจบตัวอย่างของเรื่องบุตรเศรษฐีมีทรัพมากเรื่องนี้ให้เห็นถึงการที่พ่อแม่เนี่ยไม่ได้รักษาลูกของตัวเองอย่างดีแต่จะรู้จักสอนในการที่จะให้เขาคบกับคนดีพอตัวเองไม่อยู่แล้วเขาไม่มีวิชาความรู้เนี่ยนั้นไปคบกับคนชั่วพวกนักเลงสุรา พวกนักดื่มทั้งหลายก็เลยเสร็จเลยเจนี้ตกตามเลยเจนี้เอาตัวอย่างในเรื่องนี้เนี่ยมาดาบิดาเขาคิดว่าเขารักษาลูกเขาอย่างดีแล้วนะโดยการให้เรียนการฟ้อนการขับการรําคิดว่ารักษาลูกเขาอย่างดีแล้วในการมอบทรัพย์80โกดให้คิดว่ารักษาเขาอย่างดีแล้วในการที่ให้อยู่ครองเรือนเออจะได้เป็นฝั่งเป็นฝาเออมันจะได้ดีขึ้นคิดว่าการรักษาแบบนี้มันจะดี ถึงแม้การรักษาด้วยการที่สร้างกำแพงขึ้นมาป้องกันมีทรัพย์สินเงินทองมากมายสร้างอาคารสูงให้ขึ้นไปอยู่บนอาคารสูงประสาทเจ็ดชั้นนั้น<ม>ก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นการรักษาจากอากุศลธรรมได้เลยตัาฝังการรักษาด้วยดีนั้นคือการฝึกให้ลูกนั้นห้ามเสียจากบาปการฝึกให้ลูกนั้นตั้งอยู่ในความดีรักษาให้มันไกลห่างจากบาปอากุศลธรรม รักษาให้อยู่ในสิ่งที่เป็นกุศลธรรมอันนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการรักษาที่ดีเวลาที่ชีวิตของเราเนี่ยถ้าชีวิตของเรานะมันไม่ดีเนี่ยนะอย่าไปโทษคนอื่นให้โทษตัวเองถ้าลูกของเราเนี่ยถ้าไม่ดีเนี่ยนะอย่าไปโทษลูกเลยโทษตัวเองโทษพ่อแม่คือลูกมันจะดีหรือไม่ดีเนี่ยอยู่ที่ตัวลูกนึ่นก็ส่วนหนึ่งอยู่ที่ตัวพ่อแม่ ว่าจะสอนให้เขารู้จักคิดหรือไม่อันนี้คือส่วนใหญ่คนที่มันเป็นเด็กอะตำรวจฟังมันจะยังไม่รู้จักคิดไม่รู้เรียงสาถ้าเราไม่รู้จักสอนให้เขารู้จักคิดตั้งแต่ตอนยังเป็นเด็กๆอย่าวังว่าโตขึ้นมามันจะสอนได้แล้วพ่อแม่พวกที่โมบร์บ่นเนี่ยนะว่าลูกไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ไม่ได้ตีลูกหรอกตำรวจฟังไม่ได้เคยตีลูกเขานี้ข้าพเจ้าไม่ใช่หมายความว่าสนับสนุนว่าตีดีหรือไม่ตีดีนะ เรากำลังพูดถึงหน้าที่ที่พ่อแม่จะต้องกระทําพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ําฝังเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่ของมารดาบิดาที่จะต้องทํากับบุตรคือหนึ่งห้ามเสียจากบาปสให้ตั้งอยู่ในความดี3มศึกษาศิลบาวิทยาสี 4. ให้มีคู่ครอ ง, งที่เหมาะสม5มอบบรดกให้ตามเวลาถ้าทําอย่างนี้ได้ลูกนั้นจะไม่เป็นภัยกับตัวเองแต่ถ้าทําไม่ได้ในข้อใดข้อหนึ่ง คือในกรณีของเรื่องที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยไม่ได้ให้เขาตั้งอยู่ในความดีทำไม่ได้ไม่ได้ห้ามเขาเสียจากบาปอย่างการที่ลูกดือ้อพูดไม่ฟังเราก็คิดว่าเออมันยังเด็กอยู่มันยังไม่รู้เรื่องยังไม่รู้เดียงสาอะไรหรอกมันจะทำผิดไปตื่นสายบ้างอะไรบ้างตื่นสายนี่เป็นเป็นบาปนะไม่ได้เป็นความดีนะเป็นความขี้เกียจขี้คร้านะแล้วคุณไม่ห้ามเขาจากความเป็นขี้เกียจขี้คร้าเนี่ย อันนี้แสดงว่าไม่ได้ห้ามเขาเสียจากบาปอันนี้สร้างสมนิสัยที่ไม่ดีล่ะพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงโทษของความเกียจคร้านว่าจะมีอยู่หกอย่างคือห้าวนักก็อ้างไม่ทำร้อนนักก็อ้างไม่ทำงานเย็นแล้วเช้าอยู่หิวนะักกลหายนะักแล้วก็ผัดเปลี่ยนผัดวันประกันพรุ่งในการทำงานเป็นคนตื่นสายเป็นคนเฉื่อยแฉะ นี่เป็นบาปนะทุกฝังเป็นโทษที่จะเกิดขึ้นจากการเกียรติกร้านี้ถ้าพ่อแม่ไม่ห้ามถ้าพ่อแม่ไม่ฝึกให้ทำแล้วคิดว่าจะคุณครูที่โรงเรียนเขาจะทำเหรอหน้าที่ของครูเนี่ยไม่ใช่ทำตรงนี้นะไม่ได้ห้ามเสียจากบาปให้ตั้งอยู่ในความดีไม่ใช่นะอันนี้เป็นหน้าที่ของมาดาบิดาเวลาที่มันไปคบเพื่อนชั่วขับมอเตอร์ไซค์ไปคบกับกลุ่มเพื่อนมางทีก็กินเหล้าบ้างอับยาบ้าง มั่วสมสิ่งเสพติดบ้างอย่างเงี้ยอ้าวอันนี้มันเป็นการตามประกอบเนืองๆในการดื่มน้ําเมานะเป็นสุราและเมรัยนะมีโทษอยู่6อย่างนะหนึ่งจะมีความเสื่อมทรัพย์ที่ผู้อื่นเห็นได้เองเป็นการก่อการทะเลาะวิวาทเป็นบ่อเกิดแห่งโรคเป็นเหตุให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเป็นเหตุให้ไม่รู้จักละอายเป็นเหตุทอนกาลังปัญญาโอมีแต่โทษนะเนี่ย แต่ถ้ามีโทษอย่างนี้แล้วมารดาบิดาไม่รู้จักห้ามเนี่ยอันนี้ไม่ได้แต่บางทีพูดเฉยๆเด็กบางคนเขาก็ไม่เข้าใจนำบุฟังคนที่จะมีลูกเนี่ยแบบแต่งงานกันไปเนี่ยนะแล้วคุณคิดว่าคุณจะมีลูกเนี่ยคุณไม่รู้ได้หรอกว่าลูกที่จะมาเกิดในท้องคุณเนี่ยจะเป็นสัตว์นรกมาเกิดหรือเป็นเทวดามาเกิดเราเราไม่รู้ได้เลยไม่รู้ ถ้าเป็นเทวดามาเกิดอาจจะบอกง่ายสอนง่ายหน่อยพูดแล้วก็รู้ความเข้าใจได้เออดีแต่ถ้าเป็นสัตว์นรกมาเกิดบางทีมันบอกยากสอนอยากแต่บางทีมันไม่รู้เนื้อความกว่าจะรู้เนื้อความต้องบอกสามรอบหรือบางทีต้องใช้ไม้แข็งเราจะมาบอกว่าลูกมันจะต้องเหมือนกันหมดก็นิ้วมันยังไม่เท่ากันเลย5นิ้วแล้วลูกแต่ละคนจะสอนวิธีเดียวกันได้ยังไง ทำให้ใช่ความรับผิดชอบของมารดาบิดาอย่าพิโทษคนอื่นความดีความขยันขันแข็งเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องให้เขาตั้งเอาไว้แต่พอลูกทําสกรปรกเลอะเทอะก็มีรู้จักเรียกม่มาเก็บแล้วก็แม่นั่นแลหละเก็บให้เอ อ, เ อ, อมันทำทำนิดหน่อยไม่เป็นไรฉันเก็บให้นั่นสิ่งที่จะให้เขาตั้งอยู่ในความดีกลับไม่ทํากลับไม่บอกไม่สอนอย่าพิโทษคนอื่นเวลาที่เขาทํางานได้บ้างมีทรัพย์สินสมบัติ การเกิดขึ้นเล็กๆ น, น, น้อยๆเช่นไปรับจ้างอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยเราต้องรู้จักสอนให้เขาแบ่งจ่ายทรัพย์แต่พระพุทธเจ้าสอนไว้เรื่องการแบ่งจ่ายทรัพย์เนี่ยบุคคลที่มีทรัพย์สินเงินทองได้มาด้วยความเพียรเป็นคเครื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกําลังแกน ม, มีตัวชุ่มด้วยเหงื่อนี่ได้เงินมาแล้วเนี่ยต้องรู้จักความได้มาของโภคทรัพย์รู้จักความสิ้นไปของโภคทรัพย์แตอย่าใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายถ้าใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย ก็จะมีคนหาว่าเหมือนกินผลมะเดือ่อใช้เงินเกินตัวมันต้องสร้างนี่แน่ละ่ะแล้วก็อย่า ก, กระเบียดกระเสียดเขียมเกินไปอันนี้ก็จะมีคนว่าว่าเหมือนคนตายอดตายอยากก็ไม่ได้ต้องรู้จักแบ่งจ่ายทรัพย์ให้ถูกได้มาน้อยหรือได้มามากก็ตามก็ต้องรู้จักจ่ายในสิ่งที่เหมาะสมในเรื่องการกินการอยู่ต้องรู้จักเก็บไว้ในเรื่องของสิ่งที่เป็นอนาคตเผื่ อ, อไว้ต้องรู้จักการให้ทานแตต้องแบ่งไว้ สามสี่ส่วนอย่างนี้ไม่ว่าจะได้น้อยหรือได้มากก็ตามแล้วถ้ามารดาบิดาไม่สอนเขาให้ตั้งอยู่ในความดีแบบเนี้แล้วเป็นหน้าที่ของใครอ่ะก็เป็นหน้าที่ของมารดาบิดานะะั่นะในการที่จะสอนเขาให้รู้จักตั้งอยู่ในความดีความที่ไม่เป็นนักเลงเจ้าชู้ความที่ไม่เป็นนักเลงสุราความที่ไม่เป็นนักเลงการปนันความที่มีมิตรสายเพื่อนฝูงดีงามพวกนี้เป็นคุณธรรมที่ดีนะ เป็นคุณธรรมสี่อย่างที่จะทําให้ทราบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันตั้งอยู่มันโกงอยู่ถ้าไม่รู้จักสอนให้เขาที่จะหลีกเลี่ยงดูว่าไอ้คนนี้มันเป็นนักเลงเจ้าชู้นะเราอย่าไปโกกับมันคนนี้มันเป็นนักเลงการพนันนะเราอย่าไปยุ่งกับมันอย่างเงี้ยถ้าไม่รู้จักสอนให้เขาดูไม่รู้จักสอนให้เขาหลีกเลี่ยงสิ่งที่ชั่วร้ายเข้าขายเลยตำรวจฝังพ่อแม่รังแกฉันแล้วถ้าไม่สอนก็นตั้งแต่ตอนที่เด็กๆแต่ยังพอพูดได้ พอโตใหญ่ขึ้นมาเนี่ยสอนไม่ได้นะตะบูฟังสอนยากมากเด็กที่สอนง่ายก็ใช้วิธีสําหรับเด็กที่สอนง่ายพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบไว้กับการฝึกมา้าแ่ม้าตัวไหนฝึกได้ก็ใช้วิธีละมุนละม่อมบางทีบางตัวก็ต้องใช้วิธีรุนแรงก็เหมือนกันแหละเด็กที่สอนยากเหมือนดีก็ต้องใช้วิธีรุนแร ง, ง, ต, ง, รแรงตัวข้าพเจ้าเองเนี่ยตำฝังเอ้ย ตั้งแต่สมัยเด็กๆเนี่ยก็เป็นเด็กที่ดื้อมากอันนี้คือพ่อแม่เล่าให้ฟังนะดื้อมากมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นอายุ4ี่ห้าขวบพ่อก็พาไปสถานที่ราชการแห่งหนึ่ง่ไปติดต่อราชการนี่แหละแล้วก็ไปเจอกับพลตํารวจโทรท่านหนึ่งที่เป็นผู้บัญชาการตํารวจตะเวนชายแดนอันนี้ข้าพเจ้ายัางเด็กๆอยู่นะอันนี้พ่อเล่าให้รับฟังในภายหลังนะพ่อก็บอกว่าอ่ลูกสวัสดีสิสวัสดีคุณลุงแต่ข้าพเจ้าเนี่ย ถูกซ้อนอยู่เรื่อยๆให้สวัสดีอยู่แล้วตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆใช่ปะแต่คราวนี้เห็นหน้าตำรวจคนนี้ไม่รู้ยังไงแล้วก็ยื่นเท้าไปเหยียบเท้าเขาเลยเหยียบเท้าเขาอันนี้คือพ่อเล่าให้ฟังภายหลังนะเหยียบเท้าผู้บัญชาการคนนี้ผลตํารวจโทรนี่แนหะรองเท้าหนังมันๆเนี่ยถูกรองเท้าเด็กเหยียบเข้าไปให้แล้วเหตุการณ์ธรรมดาๆรรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะคิดว่าก็ไม่มีอะไรเด็กมันก็ยังไม่รู้เรียนสาแก่4ีห้าขวบ แล้วก็ผู้ประชาการคนนี้ก็เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ใช่ไหมท่านก็มีเมตตาเด็กเล็ ก, ลกๆน้อยๆก็ไม่ได้ถือสาหาความอะไรก็ไม่ได้คิดจะเอาเป็นเรื่องเป็นราวอะไรแต่บางคนอาจจะมีความคิดอย่างนี้แต่พ่อข้าพเจ้าไม่ได้คิดอย่างนั้นนะสิโหยวันนั้นกลับบ้านไปถูกพ่อตีตีจนหลังแอน่ะตีจนเลือดออกอ่ะอันนี้คือพ่อเล่าให้ฟังภายหลังนะเหตุการณ์อื่นๆก็อีกเยอะแยะ ด้วยความดื้อของตัวเองแต่ถ้าไม่มีพ่อแม่คอยห้ามเสียจากบาปถ้าไม่มีพ่อแม่อุปการะให้เราตั้งอยู่ในความดีทุกวันนี้ไม่มีทางได้ดีเราต้องฝังตัวข้าพเจ้านะยังรวมถึงเด็กคนอื่นๆด้วยเด็กที่บอกง่ายสอนง่ายก็มีก็ใช้วิธีลรมุญนมม่อมได้เด็กที่บอกยากสอนยากบานดีก็ต้องใช้วิธีรุนแรงซึ่งวิธีรุนแรงนั้นก็ต้องมีกุศโลบายด้วยบางที ไม่ใช่ว่าเออาจจะใช้วิธีละมุนละม่อมกับได้ทุกคนมันไม่เป็นอย่างนั้นใครจะไปรู้ว่าสัตว์นรกมันจะมาเกิดในท้องของเราหรือว่าเทวดามันจะมาเกิดในท้องของเราแต่ถ้ามีใครมาเกิดในท้องของเราเราเป็นมารดาบิดาแล้วอ่ะรับผิดชอบต้องรับผิดชอบหน้าที่ในการที่ให้เขาตั้งอยู่ในความดีหน้าที่ในการที่ห้ามเขาเสียจากบาปจะต้องมีอย่าให้เกิดปัญหาแล้วก็จะมาบ่นในภายหลังมาร้อนใจในภายหลัง ทำไมมันบอกไม่ฟังว่าไม่เชื่อโตขึ้นแล้วคิดว่ามันจะคิดได้เองเหมือนรอวัวรอควายที่มันหลงฝูงไปแล้วมันจะกลับมาเองเนี่ยรอไปเถอะบางทีเราตายก่อนด้วยซ้าบางทีมันอาจจะคิดได้ก็ได้เข้าสู่มัชฉิมวัยหรือปัจฉิมวัยตามเรื่องที่ได้เล่ามาให้ฟังเนี่ยเป็นกรณีที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นมาถึงมัิมวัยปัจฉิมวัยถ้าคิดได้นะก็จะได้เห็นตามนะแต่ บางทีอาจจะคิดไม่ได้ร้อนใจในภายหลังเป็นเหมือนกับนกกเรียนที่จมอยู่ในเปลือกตมมีขนนั้นเหี้ยนไม่สามารถที่จะบินขึ้นไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ถ้าเรามีลูกแล้วก็อย่าเป็นพ่อแม่รังแกฉันถ้ายังไม่มีลูกแล้วคิดจะมีลูกเตรียมพร้อมก่อนได้หรือไม่ในหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องทาในการให้เขาตั้งอยู่ในความดี ถ้าเขาเป็นคนไม่ดีใช้วิธีละมุนละม่มเป็นไหมใช้วิธีรุนแรงเป็นไหมถ้าทำไม่ได้อย่าคิดว่าจะมีแต่ถ้ามีแล้วแล้วทำไม่ได้เกิดความร้อนใจขึ้นตอนนี้ก็ขอให้พยายามเอาตั้งสติเอาไว้ให้ดีทําการศึกษาในธรรมะอาศัยเมตตาด้วยเพราะว่าถ้าเรามีสติตั้งไว้ในใจของเราเนี่ยเวลาที่เราจะฝึกสอนลูก มีจิตที่เป็นไปด้วยกับเมตตาใช้วิธีละมุนละม่อมก็ตามรุนแรงก็ตามอันนี้ชื่อว่าเรารักษาตัวเราเองด้วยเรารักษาเขาด้วยแต่ทั้งตัวเราก็ได้รับการรักษาด้วยการตั้งสติขึ้นทั้งตัวลูกก็ได้รับการรักษาโดยการที่ไม่ถูกเบียดเบียนแต่ใช้วิธีการฝึกที่เปรียบเหมือนกับกวนช้างหรือคนฝึกมาเขาจะฝึกช้างหรือมาที่ได้มาแล้วเนี่ยเราฝึกให้ดี ทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงได้แก้ไขได้ค่อยๆทาไปจำฝังอย่าไปคิดว่าเงินทองมันจะรักษาลูกของเราได้แปโกรธคูณ260กิบโกรยังรักษาไม่ได้เลยอย่าไปคิดว่าเพื่อนคนนี้เราจะไปพึ่งมันได้แต่เพื่อนอาจจะเป็นเพื่อนชั่วก็ได้ถ้าเป็นเพื่อนดีอาจจะพึ่งได้แต่เป็นเพื่อนชั่วนี่พึ่งไม่ได้การรักษาที่ดีนั้น คือการรักษาให้เขาอยู่ในความดีการรักษาให้เขาห่างไกลเสียจากบาปเป็นหน้าที่ของพ่อแม่โดยตรงถ้าพ่อแม่ไม่ทำไม่ว่างจะต้องจัดหาการกระทานี้ให้เกิดขึ้นไดๆอย่าไปฉาบฉวยฟังตามสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ให้มีความมั่นใจในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าดูให้ดีเราเกิดมาชาตินี้ชาติหนึ่งแล้วถ้ามีครอบครัวแล้ว มีลูกแล้วออรักษาให้ดีทำตามหน้าที่ทำให้เต็มที่มีความเมตตาด้วยกรุณาด้วยถ้าเขาทำได้ดีก็มีมุทิตามีความยินดีด้วยแต่ถ้ามันไม่ได้ดีอะแน่นอนในโลกคนไม่ดีมันก็มี เ, เราก็อุเบกขาใช่อย่าให้จิตใจเรามันลงไปในแดนต่าอย่าให้จิตใจเรามันเป็นอกุศลให้มีอยู่เบกขาอยู่ในใจสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม รักษาตัวเองด้วยการตั้งสติให้ดีอันนี้ชื่อว่าเป็นการรักษาผู้อื่นด้วยรักษาบุตรของเราให้ตั้งอยู่ในความดีรักษาเขาโดยการห้ามจากบาปมารดาบิดาที่ตั้งสติไว้อย่างนี้รู้ว่าสิ่งใดดีเป็นบุญรู้ว่าสิ่งใดชั่วเป็นบาปแล้วเนี่ยให้ลูกของเราเว้นจากบาปให้ตั้งอยู่ในสิ่งที่เป็นกุศลแต่บางทีก็ต้อง อาศัยเครื่องมือเครื่องไม้ในการช่วยบ้างซึ่งเครื่องมือเครื่องไม้บางอย่างในงบือทีมก็มีวาระแอบแฝงซ่อนแฝงแต่ถ้าเรามีสติ ด, ดูให้ดีๆแล้วก็สามารถจะแยกแยะสิ่งที่ไม่ดีออกจากสิ่งที่ดีได้ให้รู้จักรักษาลูกของเราในลักษณะนี้จะไม่ชื่อว่าเป็นพ่อแม่รังแกฉันจะไม่ได้ต้องมาร้อนใจในภายหลังแต่ถ้าบางทีมันโตขึ้นมาแล้วใหญ่ขึ้นมาแล้วเนี่ยจะทํำยังไงล่ะ จะใช้อาจยาใช้สาราก็ไม่ได้แล้วทีนี้คราวนี้ก็ต้องพึ่งธรรมะแต่ค่อยๆให้เขาฟังธรรมะกล่อมจิตกล่อมใจไปอาจจะใช้เวลาบ้างแต่ถ้าทําด้วยกระบวนการนี้ใช้ธรรมะกล่อมจิตใจไปไม่ได้ต้องใช้อาจยาสาราเนี่ยอันนี้ก็จะช่วยได้ในอีกลักษณะหนึ่งเหมือนกันวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังก้าพระชาพระมาหาไพบูรณ์อาพี่ปุณโญจากวัดป่าดอนไหนโศกก็ขอลาไปก่อน เขาจะมาในวันพรุ่งนี้เซเลนบอล